ช่วงนี้หมอบอกว่าให้พักเสียงเพราะนั้นพูดไปสักพักหนึ่งอาตมาจะมีวอเตอร์เบรกดื่มน้ำเป็นช่วงๆถ้าฟังไม่ต่อเนื่องก็สคริปต์วิดนท์หนึ่งคือถ้างานที่เป็น งานการศึกษาพุทธศาสนานะถ้าเอาถึงระดับให้พ้นทุกเนี่ยก็จะมีอุปสรรคเวลาเราเรียนก็จะมีอุปสรรคเมื่อต้นเดือนเนี่ยมามาที่นี่อาจารย์สุรวัตรท่านจัดคอร์สสอนลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยท่านใช้ลานตรงนี้ใช้ศาลาเนี่ยเป็นที่ทำกิจกรรมอันหนึ่ง วันนั้นอาจารย์มามาบรรยายธรรมให้กับนักศึกษาในคอร์สแล้วก็อยู่ต่อดูดูกิจกรรมที่อาจารย์สุรวัตท่านสอนลูกศิษย์น่าสนใจดีเหมือนกันท่านใช้ชื่อกิจกรรมว่าจุดเทียนสองธรรมโอ้แค่ชื่อนี่ก็เจ๋งเลยนะรู้จักอาจารย์สุรวัต์ใช่ไหมรู้จักนะท่านให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ถือเทียนจุดเทียนแล้วนะมีคนหนึ่งถือไฟแชกและลูกแถวเนี่ยถือเทียนเทียนมีเล่มเดียวคนถือเทียนก็จะเดินแล้วก็มองบนด้านนี้ก็บนกลับถือเทียนไหมให้เทียนดับประคองเทียนไหมให้เทียนดับถ้าดับให้หยุดอยู่กับที่แล้วก็ไอ้คนถือไฟแชกเนี่ยไปจุดใหม่และปลายทางเนี่ยจะมีพัดลม <laughs> พัดลมเนี่ยคอยอะไรเปิดเปิดให้ล้มเนี่ยพัดให้กับคนแต่จริงคือตัวแทนอุปสรรค <c oughs> เดินมา <c oughs> ก็ต้องคอยระวังพอถึงตรงหัวโคง้งจุดหมุนกลับเนี่ยก็ต้องคอยปกป้องไม่ให้เทียนดับไม่ให้ลมมาพัดรอบแรกก็ผ่านไปรอบสองให้มีนางงานร้าย ให้ผู้หญิงคนหนึ่งคอยถือพัดคอยแกล้งคอยแกล้งแต่ให้คนเดียวยังดีนะให้คนเดียวแล้วก็แก้งแถวนั้นบ้างแกล้งแถวนี้บ้างคนก็ต้องคอยปกป้องแล้วก็อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเทียนให้อันเล็กลงเทียนแบบจุดบันเกิดเล็กๆอย่างนั้นเล็กๆดับง่ายใช่ไหมดับง่ายนางมานก็แกล้งสนุก บางคนตัวสูงหน่อยพอดีนางมานตัวเตี้ยใช้วิธียกมือสูงสูงสรุปแล้วคืออาจารย์สรวัต์จะสอนลูกศิษย์ว่าการการจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ถึงจุดหมายปลายทางสู่ความสำเร็จเนี่ยจะมีอุปสรรคแล้วก็อุปสรรคแบบปกติแบบปกติคือบรรยากาศทั่วๆไปตอนนี้มีลมพัดกับมีอุปสรรคแบบ มีคนตั้งใจแกล้งมีคนตั้งใจแกล้งก็มีท่านจะสอนเรื่องมารห้ามารห้านี้ต้องยกมือไปด้วย <Okay. S 1> ถ้าฟังไม่ดีกันมารห้าเป็นอะไรเป็นพยายามจะเป็นผู้หญิงนะมารห้มารห้า ม, าามีมารห้าเนี่ยก็มีอะไรบ้าง นึกออกไม่เคยฟังไหมมารห้าอย่างเนี้ยนะมีกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารแล้วก็เทวปุตตมารพอบอกไปอย่างนี้แล้วอาจารย์สุรวัตรก็โยนให้อาตมาอธิบาย <c oughs> อัตมาก็อธิบายแบบพระมากเลยไม่รู้นักศึกษาเขาเข้าใจหรือเปล่านะอธิบายแบบแบบพระพระไป แล้วก็โยนกลับโยนกลับให้อาจารย์สุรวัต์อธิบายต่อบอกอธิบายแล้วรู้สึกว่าเอ้มันน่าจะยากไปนะอาจารย์สุรวัต์ก็มาอาธิบายในแง่มุมที่อาจารย์จะอธิบายให้นักเรียนฟังนักศึกษาฟังฟังอาจารย์อธิบายแล้วโอ้ดีมากเลยมันเหมาะสำหรับคนฟังอะไอเรา ม, มันเหมือนอยู่แต่วัดอยู่กับ ตำรตาตำราแบบพระเวลาอธิบายก็อธิบายแบบพระเวลาอาจารย์สุรวัตรอธิบายเนะจะอธิบายยกตัวอย่างนักศึกษาเวลาอ่านหนังสือจะถูกเพื่อนมาชวนไปนู่นไปนี่นั่นแหละมาร <c oughs> โอ้ <c oughs> เพื่อนนี่ก็เป็นมารไปเลยก <c oughs> <c oughs> าลังจะเรียนหนังสืออยู่ที่ห้องเรียนใจนึกถึงอะไรตรงนั้นก็เป็นอภิสังขารมารดูสิอธิบายแล้วเออมันเข้าถึงคนฟังนี่คือ ข้อที่ดีมากๆเลยของอาจารย์สุรวัตรนะสอนแล้วคนฟังเอาไปใช้ได้เลยมันเหมือนกับว่าไปจูงเขาจากจุดที่เขายืนอาตมาเนี่ยเหมือนรอจูงที่วัด <c oughs> <c oughs> เด็กมันก็ฟังแล้วก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าแต่อาจารย์สุรวัตรเนี่ยเหมือนไปไปจูงในจุดที่เขายืนเลยเวลาอ่านหนังสือของอาจารย์สุรวัตรก็จะรู้สึกว่าอธิบายง่าย อ่านแล้วฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเอาไปใช้ได้ใช้ได้ทันทีเคยฟังไหมเคยฟังอาจารย์สุรวัตรไหมน่านจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะหนังสือ น, นี่น่าจะมีแจกแลกว้วท่านก็อธิบายว่าที่ให้เปลี่ยนเทียนเนี่ยที่ให้เปลี่ยนเทียนเนี่ยนะแสดงถึงกําลังของใจถ้าจิตมีกําลังมากจิตเข้มแข็งเหมือนเทียนเล่มใหญ่ๆ ถ้าเทียนเล่มใหญ่จิตมีกำลังมันก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นเทียนเล่มเล็กๆเทียนวันเกิดเอาไว้เป่าเค้กเป่าดับชีวิตดับก็เลยประมาณนี้ไปอาตมาเลยบอกว่าอาจารย์จะจัดข่าวหน้าบอกนะเดี๋ยวจะเอาเทียนพัรษามาให้จิตมีกำลังตั้งมั่นมากเลยนังมานปัดเท่าไรไม่ดับ แต่ที่น่าสนใจนะคือท่านเอาวิธีวิธีการเล่นเกมเนี่ยเหมือนเป็นเล่นเกมแล้วก็อธิบายถึงเรื่องอุปสรรคอาตมาก็วันนั้นก็อธิบายเป็นแบบพระมันน่าจะเหมาะกับตรงนี้มากกว่า <laughs> แลวคนคนที่เริ่มภาวนา พอภาวนาเริ่มเข้าท่าเริ่มถูกทางเนียนะก็จะมีอุปสรรคเยอะที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้เลยสัปดาห์ที่แล้วมีคอร์สคนจีนจีนจีนจริงๆไม่ใช่จีนเกิดเมืองไทยแบบอาตมานะจีนเกิดเมืองจีนพูดจีนแล้วเวลาสอนต้องให้อีกคนหนึ่งแปลพูดคำหนึ่งอีกคนหนึ่งแปลไปพูดคํานึงอีกคนแปลไปสบายมากเลย ได้หยุดเป็นวักวักเข้ามาเรียนนะประมาณสิบวันเท่านั้นเองมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่ถึงสิบวันเลยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มภาวนาได้ภาวนาถูกพเริ่มภาวนาถูกก็เริ่มมีอุปสรรคเริ่มมีมารเริ่มมีมารมาวันนั้นนะรู้จักคุณประสานัหยอาจารย์ประสาน บางคนเรียกคุณประสานเรียกบางคนเรียกอาจารย์ประสานอาจารย์ประสานสอนเรื่องมารอยู่พอดีเลยการสอนเรื่องมานะสอนสอนไปไฟดับคนจีนตกใจอะเฮ้ยมารมาแล้วดับอยู่ชั่วโมงกว่าแต่เขาก็สอนไปนะก็มีระบบที่ที่พักนี่ก็มีระบบปั่นไฟอาตมาเลยต้อง ต้องไปสอนอีกครั้งหนึ่งก็หยิบประเด็นเรื่องมารมาอธิบายซ้าอีกครั้งหนึ่งแต่อธิบายแบบคิดขุ้ hey, คิดกุมันกลายเป็นญี่ปุ่นไปนะต้องแบบอธิบายแบบเบาๆให้เขาคลายจากความหวาดกลัวจะฟังแบบหดๆหรือจะฟังแบบน่ากลัวที่นี่จะฟังแบบไหน <laughs> อัตมาอธิบายแบบน่ากลัวไม่เป็นอธิบายแบบ เบาๆบอกมารเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างมารมีห้าอย่างไล่ถูกไหมจำได้มั้เมื่อกี้อะไรข้อหนึ่งอะไรกิเลสมารข้อสองขันธมารข้อสามอภิสังขารมารข้อสี่มัจจุมารข้อห้าเทวปุตตมารห้าอย่างนี่นะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอแน่ๆเลยชัวร์ๆเลย สี่อันเรามีชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็คือมีกิเลสมีขันมีอภิสังขารแน่นอนแล้วเกิดมาแล้วต้องตายเป็นเรื่องของเราแน่ๆเลยทั้งสี่ส่วนเทวปุตตมานคือการแกล้งของบุคคลอื่นที่ใหญ่ๆก็คือเป็นเทวดาแต่บางทีก็เป็นพวกที่เตรียมจะเป็นเทวดาหรืออยากจะเป็นเทวดาในร่างมนุษย์นี่แหละมาแกล้งกัน ต้องบอกว่าที่อยากจะเป็นเทวดา <c oughs> ก, ก็มีคือ <c oughs> อาจจะไม่เป็นจบชีวิตนี้แล้วอาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่าตอนตอนเป็นคนเนี่ยเริ่มอยากแกล้งคนแล้วก็ทำอกุศลแล้วแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะทำบุญอะไรไม้มากได้เกิดมาเป็นคนทีนี้เรียงอย่างนี้นะตามตำราเนี่ยเรียงอย่างนี้กิเลสมารขันธมารอภิสังขารมาร มัจจุมานแล้วก็เทวปุตตมานเวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วแต่เดิมเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติรวมเอาไว้5อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปตามที่ต่างๆแต่พระอัตถคภ า, าจาเนี่ยรวบรวมเอาไว้ให้เป็นหมวดหมู่กลายเป็นมานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยรวมแล้วมีหอย่างอย่างนี้เวลาท่านอธิบายก็อธิบายให้คนรุ่นนั้น คือรุ่นพระอัตถกถาจารย์ท่านเรียงเนี่ยไม่ทราบว่าท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเรียงน่าจะใช้หลักเกณฑ์แบบเห็นง่ายเวลาคนนึกถึงอุปสรรคในการภาวนาจะเห็นกิเลสเนี่ยเป็นมานเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากวนใจกวนการปฏิบัติกวนการภาวนาของเราเนี่ยก็มีอยู่สามตัว ราคะโทสะโมหะสามตัวกิเลสแบ่งเป็นสามกองกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองจิตใจปกติของคนทั่วไปหรือจิตใจที่ว่าแต่เดิมเดิมของเราเนี่ยก็เรียกว่าจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนคือจิตที่มันสว่างผ่องใสผ่องใสไม่ใช่ว่าฉลาดมันใสมันใสแต่ว่า เวลาโงา่ซึ่งมันโง่อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะว่ามันยังไม่มีปัญญาตัวแท้ขึ้นมาเวลาตากระทบรูปหูกระทบเสียงเวลากระทบแล้วพอใจมันก็จะเกิดราคะเกิดกิเลสตัวหนึ่งขึ้นมากระทบแล้วมีความสุขเกิดราคะกระทบแล้วเกิดความทุกข์ไม่ชอบก็จะมีโทสะกับสิ่งนั้นแล้วถ้าจะอยู่กับสิ่งนั้นอีกนานๆก็โทสะก็เพิ่มระดับมากขึ้นแม้ไม่มี ราคะไม่มีโทสะกระทบกับสิ่งเบาๆที่มันไม่เป็นความสุขหรือความทุกข์มันแบบกระทบแบบธรรมดาธรรมดาแต่ไม่มีสติขณะนั้นก็กลายเป็นโมหะหลงไปสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวขวางเป็นตัวขวางไม่ให้เกิดปัญญาไม่ให้เกิดปัญญาไม่ให้รู้จริงไม่ให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายที่ ที่เราประสบพอสามตัวเนี้ยไม่ว่าราคะหรือโทสะหรือโมหะเกิดขึ้นมาจิตขณะนั้นจะไม่สว่างจิตปกติจะสว่างสว่างคือตอนนั้นคือปราศจากราคะโทสะโมหะแต่พอมีกิเลสตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาในในใจขณะนั้นจิตจะเศร้าหมองจะหมองมากเลยคือตัวโมหะ จะมองแล้วยังเหนียวด้วยก็คือราคะมองแบบเหนียวเหนียวมองแบบร้อนๆก็เป็นทั้งโมหะและโทสะปนกันจิตขณะนั้นไม่เหมาะไม่ดีเป็นตัวขัดขวางแต่ถ้าเจริญสติปัฏฐานมานตัวเนี้ยมานตัวแรกเนียนะจะกลายเป็นเครื่องฝึกสติ คนที่มาดูเห็นมารตัวแรกแล้วเห็นเฉยๆเห็นด้วยความรู้สึกตัวว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไอ้มารตัวนี้จะกลายเป็นเครื่องฝึกสติเพราะว่าพระเจ้าสอนวิธีการเจริญสติในการดูจิตเนี่ยให้ดูจิตขณะนั้นมีราคะก็ให้รู้จิตขณะนั้นราคะดับไปก็ให้รู้จิตขณะนั้นมีโทสะก็ให้รู้ขณะนั้นโทสะดับไปก็ให้รู้ ขณะนั้นมีโมหะก็ให้รู้โมหะดับไปก็ให้รู้ขณะนั้นมีฟุ้งซ่านขณะนั้นมีหดหูฟุ้งซ่านหดหูนี่ก็เป็นรุ่นรุ่นลูกของโมหะโมหะคือไม่รู้ตัวก็เลยคิดฟุ้งซ่านไปฟุ้งไปมากๆก็กลายเป็นหดหูจริงๆตัวหลักก็คือราคะโทสะโมหะสามตัวกลายเป็นว่าราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่ปกติ ของคนปุถุชนทั่วๆไปเนะี่ยถ้ารู้จักมันเวลามันเกิดขึ้นและทักมันได้ทันทีนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เนะี่ยกลายเป็นราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องฝึกสติของเราทุกครั้งที่รู้มันมีสติขึ้นมาตัวหนึ่งทุกครั้งที่มันเกิดจิตจะเศร้าหมองไปกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองสามตัวนี้จึงเป็นทาให้จิตเศร้าหมองแต่พอรู้ทานปุ๊บนะจิตขณะนั้นสว่าง มีภาวะแห่งความตื่นขึ้นมาในใจนอกจากจะสว่างธรรมดาแล้วเนี่ยมันยังจําเอาไว้ด้วยยังเคยอย่างที่เคยอธิบายอยู่หลายครั้งว่าจิตเกิดขึ้นมาเสว้อารมณ์แล้วนะแล้วมันดับเนี่ยตอนที่มันดับไปเนี่ยทุกครั้งที่ดับมันจะจําแต่ขณะคนทั่วๆไปที่เขามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจําและกลายเป็นอนุสัยแต่คนที่มีกิเลสเมื่อกี้นี้ดับไป ช่วงที่ดับไปเนี่ยจำเป็นอนุสัยไปแล้วดวงใหม่เกิดขึ้นมามารู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเช่นเมื่อกี้มีราคะจิตดวงใหม่มาดูว่าเมื่อกี้มีราคะแล้วมันก็ดับไปเนี่ยนะจิตดวงที่มีสติเนี่ยมันจําว่าราคะมีลักษณะอย่างไงจําลักษณะของราคะแต่ตอนที่มีราคะเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่ามีราคะมันรู้แต่ว่าหน้าคนนี้สวยหน้าคนนี้หลอ่อลมตัวนี้พัดเย็นสบายบรรยากาศตัวนี้ดีมันไปจําสิ่งข้างนอก มันไม่ได้จําว่ามีราคะเกิดขึ้นแต่ตัวที่มีสติคือไปดูว่าเมื่อกี้นี้มีราคะไม่ได้ดูว่าหน้าคนเป็นยังไงไม่ได้ดูว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงมันแตกต่างกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอาศัยกิเลสที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เป็นตัวฝึกให้เกิดสติมานตัวแรกกลายเป็นมิตรอธิบายเขา อ, อย่างนี้นะแต่คําไม่เหมือนเป๊ะเลยนะกลายเป็นว่า มารที่ว่าน่ากลัวเนี่ยนะถ้ารู้จักมันแล้วเนี่ยมารกลายเป็นตัวฝึกทําให้เรามีสติบ่อยขึ้นมันเกิดบ่อยก็รู้จักมันบ่อยๆมันเกิดบ่อยก็รู้จักมันบ่อยๆเหมือนเหมือนไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันเข้าไปในร้านแล้วมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งกําลังกินเหล้าอยู่แล้วก็ก็มองเลยไอ้โต๊ะนั่นมองเลยเขาจริงๆไอ้โต๊ะนั่นมองก่อนไอ้หนุ่มคนนั้น แค่เห็นแล้วก็รีบหลบตาไอ้คนในโต๊ะนั้นก็ถามเอ้ hey, มองอะไรถ้าเป็นเราเราเป็นไงอาจจะทำไมมองไม่ได้เหรออย่างงี้คือหาเรื่องกันปา่ปาคราบับป่าครับแล้วก็กลัวหงอไปอย่างนี้ก็คือว่ากลายเป็นพูดด้อยกว่ายอมแพ้ไปไอ้คนนี้บอกว่าปา่าครับผมเห็นพี่หน้าเหมือนดารา เหลอะโอ้โหกลายเป็นเพื่อนกันชวนมากินด้วยกันกลายเป็นเพื่อนกันไอ้นั่นนะเตรียมตัวเป็นมารอยู่แล้วนะเตรียมตัวที่จะเป็นมารเตรียมตัวจะหาเรื่องอยู่แล้วแต่เราแค่ทํากล้าหน่อยอย่าไปกลัวอย่าไปหงอกล้าเข้าไปสู้แต่ไปสู้ไม่ใช่สู้ด้วยการใช้กําลังถ้าสู้ด้วยการใช้กําลังเนี่ยมันจะสร้างความเป็นศัตรูและความเป็นศัตรูพ อ, อก่อขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่ก่อแค่คู่นี้หรือกลุ่มนี้ มันจะกรอไปหาเพื่อนเพื่อนของมารก็มีเพื่อนของเราก็มีต่างฝ่ายต่างก็จะมีผู้หนุนหลังแล้วกลายเป็นกองทัพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนตระกูลสองตระกูลที่มันไม่ถูกกันเนี่ยลูกหลานก็กลายเป็นสตรูกัน <c oughs> เวลาเจอมารที่เป็นกิเลสเห็นเป็นเครื่องฝึกเห็นเป็นเครื่องฝึกแล้วคบคุ้นกับมันอ๋อราคะมีลักษณะอย่างนี้อ๋อโทสะมีลักษณะอย่างนี้อ๋อโมหะมีลักษณะอย่างนี้ ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้นี่เองหดหูเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาเห็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเห็นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมตัวรู้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราเป็นปุถุชนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมีอยู่บ่อยๆเกิดอยู่ประจํา